เพราะาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่ายานที่กําหนดรู้ทุกละสกายะทิฐิยานที่กําหนดสมุทยัยละอะไรยานที่กําหนดสมุทยัยละอุเฉททิฐิยานที่รู้ว่าถ้าแทงตลอดอสังกตตาธาตุดับพวกนี้ได้เป็นระสสตตทิฐิแต่ว่าต้องไอตัวที่ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปทํากิจอย่างที่ว่าต้องทําขึ้นนะไปทําว่ายังไง อันนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสนาเนี่ยนะวิปัสนาเป็นสิ่งที่ทําขึ้นคือตามเห็นผมเนี่ยแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงก็คือโดยอนุปัสนาเจตนะตามเห็นผมโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นโศกตามเห็นผมโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่ตามเห็นโดยความเพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกําหนัดไม่ใช่ ตามเห็นโดยราคาเดี๋ยนะตามเห็นโดยความดับไม่ใช่สร้างสมุไทยคือสร้างตัญหาอีกต่อไปตามเห็นเพื่อสละคืนเนี่ยนะบริจาคแล้วไม่เอาแล้วจะน้อมไปหาอาสังขตะาธาตุแทนแล้วไม่ใช่เห็นเฉพาะาผมอย่างเดียวที่เป็นรูปขันอย่างพิจารณาตัวเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเหล่านี้โดยอนุปัสนาเจตอีกเหมือนกันอันถ้าเจริญอ น, อนุปัสนาเจอย่างนี้แล้วพิจรารณา ตัววิตัวจิตหรือปัญญาที่พิจารณาอันเนี้ยโดยอนุปัสนาเจอีกเหมือนกันจิตจึงจะหลีกเนี่ยนะปัญญาจึงจะหลีกไปหาอาสังกตาาธาตุเพราะนั้นปัญญาที่หลีกไปหาอาสังกตาาธาตุเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ต้องทำขึ้นซึ่งไม่ใช่ปัญญาอย่างเดียวต้องเป็นกี่องค์ต้องแปดนะต้องมาให้ได้แปดนะถ้าไม่ครบแดบรรลุไม่ได้ แต่ก็ได้เจ็ดก็บรรลุได้นะเจ็ก็บรุุ้ได้เอาไหมจะเอาเจ็ดระดับทุติยะฌานเป็นต้นไปเนี่ยเจ็ดพราะขาดวิตกนี่นะถ้าต้องต้องระดับทุติยะฌานนะฝันตัวปัญญาหรือตัววิปัสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําขึ้นจริงๆเลยรอให้ฝันขึ้นเองเนี่ยนะโอ้ยฝันเห็นว่าไม่เที่ยง ดีใจไหมที่รู้ฝันว่าไม่เที่ยงฝันเห็นร่างกายเป็นอสุภะไปหมดเลยดีใจไหมคุณบรรจูมีโยมคนหนึ่งเขาเขาเจริญกายยัตาสติมา ก, ก น, นะเขาฝันว่านอนเนี่ยมันอยู่ข้างในลำคอแล้วฝันมันล้วงเอานอนออกมาเจ๋อจมากถ้าเป็นหมอยุพินดีใจไหมฝันมันมีนอนอยู่ข้างในลำคอแล้วล้วงออกมา เออคนที่ฝันนี้เขาไม่ได้เดือดร้อนเลยเขาดีใจมาเขาใช่ใชเขาบอกเขาธรรมดาเขาว่านั้นใครรู้ไหมหมอปานเื่อนเพื่ยังสงสัยอยู่ตอนเจ็ดเนี่ยครับคือถ้าตั้งแต่ทุติยชาญขึ้นไปนะฮะแล้วก็เจริญนิพพสนาหมายความว่าเอาเอาองค์ทำของเอ า, อ, าองค์ของทุติยชาญมามาทําปริญญาถูกไหมครับเ <c oughs> ชิญพานอา ทุกิยาชันไม่มีวิตกนะฮะแต่ว่าตัวทําปริญญาเนี่ยมีวิตกอยู่เหรออาจารย์เจริญพานก็นจะมาจึงเหลือเจ็ดแล้วครับคือขณะวิปัสนาเนี่ยน ะ, ะขณะวิปัสนาเกิดเนี่ยประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นมาสังกัปปะอ่านะสัมมาสังกัปป ะ, ะ, ะสัมมาเออไม่ใช่ สัมมาสังกปะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาิและก็อะไรออ่ะิปัสนากสมาธิเิสัมมาสังกปะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมมาธิทัมีห้าันแต่ว่าพวกนี้ต้องมีวีรตีเนี่ยเป็นปัดัจให้นะ สัมมาวาจาอันนี้ในระหว่างสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอุปนิสัยพวกนี้เป็นเป็นอุปนิสัยให้เป็นฐานให้เนี่ยนะที่อันนี้เปรียบเหมือนแผ่นดินในตัวสมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะตัวตัวนี้เป็นเรียกว่าวิปัสนา ตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเป็นสมถทสมุทเนี่ยนะโดยที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์คือมนสิการรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความไม่เที่ยงเนี่ยนะมนสิการโดยความเป็นทุกข์มนสสิการว่าเป็นอนัตตา เธอถ้าเห็นตามนี้จริงๆดีอ่ะนะเห็นอา น, นิจังทุกขังอนัตตาดีจริงๆก็จะนํามาซึ่งนิพิทาพวกนี้มันเป็นผลของการเพิ่มมันเป็นอา น, นิสงส์ของการเจริญอนุปัสนาเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็น่าเบื่อนหน่ายเป็นอย่างมากก็จะมีวิราคะราคาแปลว่าความกําหนัดความความยึดอ่ะนะเกาะเกี่ยว วิราคะก็ตรงกันข้ามคือปล่อยแล้วก็นิโรธานิโรธานุปัสนาซึ่งตรงกันข้ามกับ น, นะต้องการดับใช่ไมไม่ต้องการสร้างล้อันนี้ละนันทีนิละราคะอันนี้ละสมุ ท, ทยัยนนะแล้วก็ปฏินิสักะคือถ้าเห็นโดยความอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานิพพิธามากมา ก, มากอย่างนี้เนี่ยนะ ตัวนี้ต้องการสละคืนก็ละอาทานะฐานะอันแปลว่าให้ใช่ัหมอาร์มันกลับยึดอะเลยไม่ให้เลยนะยึดไว้เลยแ ต, ต, ต่นั้นถ้าปตินิสขานุปัสนาเกิดมันบริจาคให้บริจาคให้ใครเพราะจริงจริงมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นเนี่ยนะตัว ตัวเนี่ยที่เจริญอย่างนี้แหละเป็นสมถะกับวิปัสนาทีนี้เมื่อเจริญเนี่ยนะจนกว่าที่ปฏินิสาขาเนี่ยมีกําลังบริบูรณ์ซึ่งปฏินิสาขาก็ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาส ม, มาธิเนี่ยนะก็ผนวกกันว่าทีนี้มาดูว่าคนที่เจริญวิปัสนาเนี่ยคือใครปกติแล้วเข้าได้ฌานอะไรมาไหมก่อนหน้านี้เขามีฌานอะไรอยู่ในตัว อ น, นะวิปัสนาของพวกนี้เนะี่ยเช่นว่าเขาได้ทุติยชานเป็นต้นอยู่แล้วคนที่เจริญวิปัสนาเหล่านี้เนี่ยนะเจริญอนุปัสนาบางพวกมีชานอยู่แล้วมีทุติยชานมีตติยชานมีจตุทชานเป็นต้นอยู่แล้วเป็นบาทของการเจริญวิปัสนาดังนั้นเมื่อผนวกกันเข้าอ น, นะตัว ตัวสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยด้วยอุปนิสัยคือฌานหรือด้วยอุปนิสัยฌานที่เป็นบาตททำให้มรรคของเขามีแค่7จนเนี่ยนะมรรคจก็คือผนวกวีรตีเข้ามานเนี่ยนะแล้วก็ตัดวิตกออกไปแต่ว่าระหว่างเจริญวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยวิตกจำต้องปรารถนาะแต่ด้วยอนุภาพแห่งฌานที่เป็นบาต ฌานที่เป็นบาดของเขาอะนะคือก่อนที่เขาจะมาเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ได้ฌานที่สองอยู่แล้วอันนี้ในหนึ่งนในที่หนึ่งนะในที่สองในที่สองคนนี้อนุปั ส, สนาของเขาเนี่ยพิจารณาทุติยฌานเป็นต้นเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นมักที่เกิดจากการจะอย่างเช่นเข้าทุติยฌานใช่ไหม ออกจากทุติยะฌานเห็นทุติยะฌานไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีตามเห็นทุติยะฌานไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นว่าเป็นของเที่ยงะนะก็คือตามอนุปัสนา7แล้วเจริญอย่างนี้จนอริยมรรคเกิดพวกนี้ก็จะมีองค์7เหมือนกันอันนี้ด้วยอํานาจของอารมณ์นะตัวพิจารณาทุติยะฌานท่านบอกว่ามรรคที่เกิดขึ้นจะเป็นมรรกระดับทุติยะฌานนะอันนี้มีในหนึ่ง แต่ก็มีวินิจฉัยหลายๆในด้วยกันนะในพระเถระในปางก่อนท่านก็วินิจฉัยเอาไว้หลายๆในถามว่าปางก่อนเนี่ยปางไหนก็ปางก่อนพันปีอ่ะที่สรุปว่าในระหว่างที่เจริญอยู่เนี่ย ก, ก็ก็ต้องมีวิตกอยู่แล้วแต่ตอนที่บรรลุอริยมรรคเกิดเฉพา ะ, ะขณะอริยมรรคนะเฉพาะขณะนั้นเนี่ยทําบางคตั้งกระเป๋า ไ, ไม่ต้องมีแล้วเจริญพาพไม่มีด้วยเหตุผลอะไรครับ ไม่มีด้วยเหตุผลก็คือหนึ่งหนึ่งคนที่เจริญวิปัสสนามีทุติยะฌานเป็นต้นเป็นบาตคือคนเนี่ยเขาได้ทุติยะฌานเป็นต้นอยู่แล้วได้ทุติยะฌานหรือตติยะฌานหรือจตุตัชฌานเนี่ยนะ<ม>เขาเข้าฌานเสร็จออกจากฌานแล้วเจริญวิปัสนา<ม>แล้วบรรลุเนี่ยนะอันนี้พวกนี้จะไม่มีวิตกตอนมรรคเกิดนะเฉพาะตอนมรรคเกิดเนี่ยจะไม่มีวิตกนในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือ บุคคลนั้นพิจารณาทุติยชาญพิจารณาทุติยชาญหรือตติยชาญเป็นต้นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของอนุปัสนาเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของสังขารุปเปขาญาณเพราะฉะนั้นอริยมรรคของเขาก็จะไม่มีวิตกเหมือนกันเฉพาะขณะมรรคเปรียบเทียบอย่างนี้นะจะเข้าใจชัดถ้าเราเรียนสมถะตัวสมถะเนี่ย สมมุติว่าในในฌานวิถีเนี่ยนะฌานสมาบัติวิถีเนี่ยเฉพาะอาธิกรรมนิกาเนี่ยนะก็จะประกอบไปด้วยมโนทวาราวชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมแล้วก็โคตะภูแล้วก็จะเป็นฌานเหมือนกันนะสมมตินี้เป็นฌานที่หนึ่งใช่ไหมก็เจริญอย่างนี้โดยที่มีอารมณ์เดียวกันตลอดสมมติว่าอารมณ์เดียวคือกสินเป็นต้นเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เส้นกสินนะมีกสินก็ได้ปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งทีนี้อาศัยปฐมฌานเนี่ยมาเข้ามาคิดเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เนี่ยเข้ า, าฝึกเข้าฌานจนได้วสีทั้งห้าชำนาญในการเข้าคือหน่วงนึกอารมณ์ปั๊บก็เข้าฌานได้เลยเรียกว่าชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าชำนาญในการดำรงอยู่ชำนาญในการออกแล้วก็พิจารณาองฌาน ว่าไอ้ตัวฌานเนี่ยมีองค์ประกอบคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคะะตาใช่ไหมท่านก็เห็นโทษว่าโอ้โหเนี่ยการเข้าฌานตัวนี้นะตัวที่หยาบที่สุดในจิตหรือในฌานในจิตเนี่ยตัวที่หยาบคือตัววิตกกับวิจารเพราะฉะนั้นก็เห็นท โ, โนาานนนะทษของวิตกวิจาร แล้วพยายามที่จะเข้าฌานใหม่โดยตั้งใจว่าจะไม่ให้มีวิตกวิจารเปรียบเทียบเหมือนอะไรเหมือนกับว่าปกตินะเราเราไปที่ไหนเนี่ยชวนกันไปส0ปฐมฌานมีเจตสิกเท่าไหร่ดูสิปฐมฌานโลกิยะอ่าหรือถ้าเป็นกษินนะมีสาสบสาตัด อาประมัญญาออกไปนั่นแหละก็มีสาสิบสามก็เหมือนกับว่าถ้าเข้ากรสินเนี่ยนะก็มีสาสิบสาม 33, ก็มีเพื่อนสามสิบสามเนี่ยไปงานไหนนะเอาไปสามสิบสามคนเลยทุกงานแต่นี้มันมีตัววุ่นวายอยู่สองคนนะทํายังไงจะทําเข้าเขาเรียกว่าไปงานใหม่เนี่ยโดยที่เข้างานอีกครั้งโดยที่ปัดไอ้สองคนนั้นออกไปคือปัดไอ้วิจตกวิจารณ์ออกไปพราันั้นก็เวลาจะเข้างานตั๊บก็ปัดอันนั้นออกไปด้วย ด้วยอนุภาพของการเห็นโทษวิตกวิจารณ์นั้นเวลาเข้าฌานอีกครั้งหนึ่งจะเป็นธุติยะฌานด้วยอนุภาพของการรังเกียจไอตัววิตกวิจารณ์ในอารมณ์เดียวเนี่ยสามตอนแรกมีวิตกวิจารณ์มาร่วมด้วยตอนหลังไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์หรืออีกในหนึ่งเนี่ยมีบอกว่าสาสิบสามคนเนี่ยจะเข้าวังนน่ะสามสิบสามคนเนี่ยจะเข้าวังกัน เสร็จแล้วมันต้องมีอนายหน้าเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นคนนําตลอดเลยนะนําไปจนคุ้นเคยในเรื่องในวังในพระราชาตอนหลังจะเข้าวังนี่ต้องพึ่งไอ้สองคนนี่ไหมไม่ต้องแล้วนะเข้าเองก็ได้แล้วคดีเพราะนั่นพวกนี้ก็ตัวระดับชานระดับสูงก็ลักษณะเดียวกันเพราะนั่นค่อยปลดไปเรื่อยถ้าเป็นตติยะชานก็เริ่มปลดปีติออกไปนะจตุทชานก็ปลดอะไรปลด จริงๆก็เวทนามันปลดไม่ได้นะปลดได้แต่ความสุขแต่ว่าเวทนาขันไม่สามารถละได้จริงๆก็ปลดตัวความสุขออกไปนันเอราะพวกที่จะเข้าฌานเนี่ยะละสุขทุกโสมนัตโทมนัติก่อนๆได้ด้วยเจตุทัชฌานนั้นด้วยอนุภาพของฌานเนี่ยนะทั้งๆที่ในอารมณ์เดียวคือกสินก็ค่อยๆปลดเจตสิกออกไปใช่ไหมนี้ผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันได้ฌานที่สองเป็นต้นเป็นบาศซึ่งเป็นผู้มีปกติปลด ปลดวิตกวิจารณ์อยู่แล้วในการเข้าฌานนั้นเขามีตัวนี้เป็นบาทแล้วมาเจริญวิปัสนาซึ่งยังไงก็อาศัยวิตกวิจารณ์อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าพอตอนอริยามรรคเกิดเนี่ยปลดทิ้งเลยไม่เอาแล้ววิตกนั่นเก็สามารถทําได้ด้วยอนุภาพของฌานที่เป็นบาตรของเขาเนื่องจากว่าคนเนี้ยที่เจริญวิปัสนาอย่างนี้เขามีฌานเป็นบาทรฌานระดับทุติยะฌานขึ้นไปนะนี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่ง นีเจริญวิปั ส, สนาโดยที่มีธุติยะฌานเป็นต้นเป็นอารมณ์เช่นว่าออกจากอากินจัญญายัตนะพิ่จรณาอากินจัญญายตนะนั่นแหละโดยอนุปั ส, สนาเจแล้วบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะไม่มี ว, วิตกเกิดร่วมด้วยขณะเฉพาะขณะอริยมรรคนะแต่ในขณะบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูเนี่ยมีวิตกหมดเลย เฉพาะในขณะอริยมรรคอย่างเดียวที่ไม่มีวิตกอริยมรรคอริยผลนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีวิตกมาตลอดแต่ถามว่าทำไมจึงละวิตกได้เพราะอารมณ์ที่ก่อนที่จะมีนิธานเป็นอารมณ์เนี่ยนะ แล้วอีกในหนึ่งนะสมมติว่าเวิปัสสนาในมรรควิถีมนโนทวาราวัชนะเนี่ยนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภู ในมรรควิถีเนี่ยนะสมมติว่าวิปัสนาเนี่ยก่อนหน้านี้เจริญมาอย่างช่ําชองแล้วปัศนาตัวนี้เนี่ยเจริญมาแล้วกี่ปีดีโอโ้โหสิบปีนะคิดให้ดีๆนะคือเจริญมาจนชํนานาญว่างั้นแต่เอาอย่าเอาปีเข้าว่าเลยนะไม่ได้จบเพราะปีหรอกจบเพราะตัวปัญญา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเจ็ด คูณยี <car> ่สบเท่าก <ifer> <idades> ับเท่าไรนักคำนวณทั้งหลายหนึ่งหแปดสรุปว่าเจริญติดต่อกันอย่างน้อยเนี่ยนะตัววิปัสนาเกิดหนึ่ง้ยหกสแปดชั่วโมงันเยเยี่ยมเลยใช่ไหมห้ยหสิแปดชั่วโมงเยนะจ็ดวันเอาตัวตัวตัววิปัสนานไม่ใช่ตัววัน ตัวมาหากุศลอันนั้นน่ยเกิดย่งต่อเนื่องมาเจ็วันแล้วสังขารูปเปกขายานพบสามกำเนิดสี่คติห้าเหมือนกับถูกไฟไหม้พับเพลิงลามทั่วไปหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วคบไม่ได้แล้วพบสามเนี่ยจะออกแล้วว่างั้นทีนี้ออกนี่ออกจากอะไรบอกเงื่อนไขนะต้องออกจากปียรูปสาตรูปเอาสิติดอะไรมากที่สุดแต่คนนี้กลับติดอะติดอากินจัญญายตนะเลยนะนนเอาแบบเอาสูงสุดเลยนะ อากินจัญญายตนะอากิญจัยยนะญญายตนะนี่เป็นสังขารธรรมใช่ไหมเป็นสังขารธรรมก็คือนามขันธ์สี่ก็ตามเห็นอากินจัญญายตนะเนี่ยไม่เที่ยงหรือเห็นว่าเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตายางใดอย่างหนึ่งแล้วหน่ายเหลือเกินเนะเบื่อเหลือเกินอากินจัญญายตนะแล้วหลีกมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยที่มีอากินจัญญายตนะอย่างนี้แล้วบรรลุ ตัวนี้ยังมีวิตกอยู่แต่พออริยมรักอันเนี้ยอริยมรักอริยผลเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีวิตกเกิดร่วมเลยมรักอันนี้จะเรียกอีกชื่อเรียกว่าอุพัโตภาควิโมกอุพัโตวิโมกอันนี้จะไม่มีวิตกอง์มรักจะมีองค์เจ็ดจะมีองค์เจ็ดอันนี้ด้วยอำนาจอารมณ์อันนี้เรียกว่า ไม่มีวิตกด้วยอำนาจอารมณ์ตอนพวกนี้มรรคเนี่ยมรรคะมรรคอย่างเงี้ยเขาถามว่าเทียบระดับไหนบอกว่าเป็นมรรคระดับฌานที่สี่นนะอันนี้นี่เอาแบบสูงสุดเลยนะหรืออย่างที่กล่าวไปอีกในหนึ่งอีกในหนึ่งเนี่ยคนเนี่ยก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาหรือก่อนที่โดยเฉพาะมรรควิถีเนี่ยสมถะของเขาเนี่ย ที่เป็นบาทของการเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยที่สองเป็นต้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นบาทให้ขณะมรรคเนี่ยมีองค์เจ็ดก็ยกมาตัวอย่างใหญ่ๆเหตุผลสองประการน่ น, นะเหตุผลสองประการคือหนึ่งฌานที่เป็นบาทสองตัวอารมณ์แต่ว่ามีในอื่นอีกเขาบอกว่าอัธยาศัยเป็นตัวกำหนด อัธยาศายัยเหมือนกับว่าคนนั้น่ะตั้งความปรารถนาไว้ว่าฉันจะต้องบรรลุโสดาปติมัคแบบจตุทัชฌานอย่างเงี้ยหรือตติยาฌานอะไรเงี้นะกาหนดเอาไว้ก่อนเลยนะจะต้องบรรลุแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเง้ยนะไหนนะ ก, น ก, ก็คือต้องการฌานชั้นสูงไงคือถ้าอนุภาพของวิตกมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับว่ามีคนคอยเจ้ากี่เจ้าการอยู่ตลอดเวลามันําคานนะ ก็ <g ül> เอาถ้าใครมีผู้ช่วยหรือมีผู้จัด ก, การที่เจ้ากี้เจ้าการทุกเรื่องหมดเลยโดยที่สุดเสื้อต้องนุ่งอย่างนี้ทอสอันนี้ทอดนี้ตัดผมได้แล้วนะดูแลทุกเรื่องหมดเลยต้องพับอย่างนี้ อ, อ, นอะไรอย่างนี้แปลงฟันหรือยังเนี่ยทําไมทําคิ้วอย่างนี้ทําตัวอย่างเงี้ยนะโว้ยวันไหนที่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยมันมีความสุขมากก็พันวิตกนี่เป็นตัวจัด ก, การขนาดนั้นแหละ น iden, ี้มเยทับให้เลเลยแตใหญ่ผมไเสีเลยอ้าวมีมีเข้าอยู่เหมือนกันเหรอได้ช่องจะว่ากันตอนนี้นะตอนอื่นไม่ได้การได้ช่องเลยเสียบเลย เพราะฉนั้นมัที่จะเจริญเนี่ยจะต้องใช้ความเพียรจริงๆเนี่ยนะมันปัปจจัยเยอะจริงๆนะถ้ายิ่งศึกษาในระดับอริยมรรคชั้นสูงอะนะตัดใจโยงใหญ่ที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยมีมากมากจริงๆเพนนะพวกนี้มันต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้อย่างอื่นอีกมากเนยนะหรือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบารมีสิบต้องเป็นฐานแน่นจริงๆอะจึงจะบรรลุได้ ถ้าจะเป็นระดับอัคารสาวกก็ต้องหนึ่งอสงไขยแสนกับนี่ยนะบุญที่ต้องทำมาจะต้องระดับนั้นจึงจะฐานรองรับชั้นสูงได้แต่ถ้าไม่ต้องการอะไรอะ่ะบรรลุยังเดียวเหตุผลอื่นไม่ต้องการทั้งนั้นมันจะอะไรก็ช่างขอให้บรรลุถ้าพวกนี้อยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ว่าสามารถประกอบมรรคมีองค์แปดได้หรือไม่ดีกาท่านไม่กำหนดเวลาเลยไม่ไม่บอกว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะ ก็ขอบรรลุอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ต้องให้พูดบรรลุได้ก็บรรลุปฏิบัติเองได้ก็ให้บรรลุจะโดยวิธีใดก็ตามเถอะขอให้บรรลุอย่างเดียวถ้าพวกนี้ใช้เวลาไม่นานก็เคยรถล้มมาเนี่ยนนีนน <laughs> เอ้าไม้ล้มาเคยล้ล้ก <laughs> ็ก <laughs> ็อย่างที่ว่านะให้ได้เป็นทหารในสิบก็เอาผลทหารก็อย่างดีนะเนี่ยรถไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ยากนะ เเลยครับก็กลับไปฟังเทพใหม่ก็แล้วกันเพราะผู้ที่ละตัณหาเนี่ยนะต้องละในปีรูปสาตรูปมันจะพิจารณาอบายและจิตหลีกออกจากอบายนิพพานเลยนะเคยเคยได้ยินไหม มีนรกเป็นอารมณ์แล้วหลีกออกจากนรกบรรลุพระนิพพานอย่างนีนะไม่มีปันเดี๋ยวเรียนสมุทัยศัสตร์ข้างหน้าจะบอกว่าในปียรูปสาตรูปอย่างเดียวตกลงการทําปริญญาในอุ ป, ปาทานขันห้าเนี่ยกำหนดไหมครับว่าจะต้องทําพยอปียรูปสาตรูปคือเอางี้ดีกว่าว่าตัณหาเนี่ยถ้าจะเกิดเกิดที่ใดเนี่ยถ้าจะละถ้าจะละก็ต้องละที่นั่นละในวัตถุนะั้น ทีนี้วัตถุที่ที่เราชอบชบเนี่ยนะนั่นแหละเป็นวัตถุที่เจริญวิปัศนาคือไอ้วัตถุไม่ชอบนะมันเจริญได้ไม่ค่อยนานหรอกคือเจริญยากมากๆเลยแหละส่วนนอกนั้นไม่ไม่ต้องหรื อ, อยังไงครับอ๋อไอ้ต้องนี่มันต้องอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันไม่มากเท่ากับปีรูปสัตรูปไม่มากกับปยรูปสัตรูปของคนนั้นเล่งด่วนกว่าเอ่อคือมันคิดในเรื่องนั้นมากอะนะก็เหมือนกับว่า ก็เห็นเหตุผลเอาง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าผู้การจะสมาทานศีลห้าให้ดีๆเนี่ยนะ <S 1> <S 1> สมาทานกับรอบๆตัวหรือว่าไปสมาทานกับคนกรุงเทพหรือไปสมาทานกับคนอเมริกันที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะ <S <S ที่จะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เนี่ยนะก็ต้องรักษากับคนใกล้ๆอยู่แล้วใช่ไหม <S <S ที่จะรักให้ศีลห้าดีๆก็ต้องรอบๆตัวนี้แหละใครก็ได้ที่มันรอบๆตัวที่มันจะเพราะจะล่วงศีลห้ากับวัตถุใดก็ต้องสมาทานกับวัตถุนั้นเพราะถ้าจะปลด จิตจากสังขารธรรมทั้งหลายก็ต้องปลดในในวัตถุที่ตัวเองยินดีเพราะนัผู้ที่ได้ฌานทั้งหลายเนี่ยพวกนี้จะติดในฌานมากฌานนี่เป็นอารมณนาที่ปฏิค่องเข้าเป็นอย่างยิ่งเพราะั้นเขาเจริญองี้ปรัชนานั่นแหละก็เอาฌานนั่นแหละมาทําตีรณปริญญาเป็นต้นเนยนะแต่พอไล่ในปีรูปสารรูปไปแล้วเนี่ยก็ก็มีสิ่งที่ที่ไม่นา่า คล้ายไม่ใช่ดียรูปสาธรลูปเหมือนกันเช่นเช่นเช่นเบทนาเนี่ยครับคือในในตอนนี้นะในในชั้นของการศึกษาเนี่ยในการเรียนเนี่ยเราจะมองค่อนข้างแบบกว้างๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะแต่ถ้าทําตีรณปริญญามากๆไปแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าจิตเราเกาะเกี่ยวกับอะไรคือถ้าเราจเจริญทำตีรณปริญญาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันไปคิดอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกวัตถุที่เราคล้องจริงๆนะมีไม่กี่อย่าง เพราะฉะนั้นก็เอาวัตถุนั้นมาทำปริญญาเป็นหลักถ้าทำปริญญาในตัวนั้นได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วยิ่งคนได้ฌานก็จะไปคิดเรื่องอะไรมากก็คิดเรื่องฌานนั่นแหละเพลิดเพลินกับฌานมีความสุขกับฌานอะไรกับฌานมันถ้าทำปริญญาในฌานจนตัดฉันทราคาได้วัตถุอื่นไม่ใช่ปัญหาะะะจะไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าไอ้ปัญหาของเขาใหญ่ที่สุดคือเรื่องนี้ ฉั้นราคาของเขาที่เกิดที่สุดกับวัตถุนี้แต่ถา้ามาถามว่าเขารู้แค่นี้หรือก็บอกไม่ใช่หรอกถ้าเขาไม่เช่นข่มวัตถุกามอื่นมาเขาจะเจริญชานไม่ได้เนี่ยนคล้ยๆอย่างนี้ไหมครับคือว่าก็ขนาดที่เรียกว่ามันเป็นปิยารูปสาธรูปแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะละชั้นราคามันได้นี่นะป่วยกล่าวไปยายกับไอ้ที่มันเป็นไอ้ที่มันอาปิยรูป าาก็คือเขาบอกว่าของดีที่สุดยังตัดอะไรได้จะ ก, กล่าวปะยัยถึงของเร็วๆกว่านั้นหรือออย่างหนึง่งนะที่ที่เรามาเลือกทำปริญญาในปียรูปสาตรูปนั้นเนี่ยเพราะว่าอันนั้นพิเศษที่สุดที่ใจเราจดจอ่อสมมติท่าอย่างการเจริญวิปัสสนาหรือการทำปริญญาเนี่ยนะก็ต้องทำปริญญาในอะไรที่มันมันคิดถึงวัตถุใดบ่อยๆก็ต้องเอาวัตถุนั้นมาทาปริญญา หรือไม่ใช่ว่าโอ้คิดถึงวัตถุนี้มากอารมณ์นี้มากเสร็จแล้วไปทําำปริญญาอะไรที่ไหนก็นไม่รู้เนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นไหมมันก็ต้องเอาสิ่งที่ตัวเองคิดถึงบ่อยๆนั่นแหละมาทำปริญญาเนี่ยนะ